วันนี้ถึงมาฝนฟ้าจะตกเปรียกกันบ้างแต่พวกเราก็เป็นชาวพุทธที่มีความแน่วแน่ต่อภารกิจของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พวกเรามากระทํากันเพราะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่จะนํามาซึ่งความสุข ละการสิ้นสุดของความทุกข์ไม่มีภารกิจทางใดในโลกนี้ที่จะสามารถนำความสุขที่ยั่งยืนมาให้กับเราได้กำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรได้มีภารกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานี่แหละ ที่พวกเราจะมากระทากันในวันนี้ภารกิจสองอันหรือทุระสองข้อด้วยกันก็คือหนึ่งคันธทุระ ura, สองวิปัสนาทุระนี่คือภารกิจของชาวพุทธเราในการที่เราจะบำบัดความทุกข์บำาลุสุขให้แก่จิตใจของเรา อย่างยั่งยืนและถาวรต้องบำบัดทุกบำลุงสุดด้วยการทำทุระสองทุระนี้คือคันถาทุระและวิปัสนาทุระต้องทำกันตามลำดับต้องทำคันถาทุรก่อนแล้วค่อยทำวิปัสนาทุระคันถาทุระก็คือการศึกษา คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราถึงเอาไปทำถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำให้ความทุกข์หายไปให้หมด ทำให้ความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอดมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้วิธีสร้างความสุขที่ถาวรและกำจัดความทุกข์ที่ถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ความรู้ในโลกนี้หรือสถาบันการศึกษาในโลกนี้ที่ จะรู้วิธีบําบัดทุกข์อย่างถาวรสร้างความสุขอย่างถาวรให้กับจิตใจของพวกเราความรู้ต่างๆในโลกนี้ช่วยให้เราบําบัดทุกข์ได้ชั่วคราวสร้างความสุขให้กับพวกเราได้ชั่วคราวแต่จะไม่มี ความสุขแบบถาวรจะไม่มีการชิ้นทุก์หมดทุกอย่างถาวรกำจัดได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราทุกเราก็ใช้วิธีดับทุกขแต่ดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ <Yeah. S 1> ต้องรอให้มีคนอย่างพระพุทธเจ้า มาค้นพบวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรและสร้างความสุขให้อยู่กับใจของเราไปตลอดพอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีวิชาความรู้ที่เราสามารถศึกษาแนะนำเอาไปปฏิบัติได้ ขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราศึกษากันทำคันธะทุระศึกษาวิธีกําจัดความทุกข์อย่างถาวรศึกษาวิธีสร้างความสุขอย่างถาวรพอเราได้ศึกษาได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเราก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไป ขั้นที่สองเรียกว่าวิปั ส, สนาธุระการทำให้ความสุขที่ถาวนปรากฏขึ้นมาการทำให้ความทุกข์การสิ้นสุดของความทุกข์อย่างถาวนปรากฏขึ้นมามทำให้แจ้งวิปัสสนานี้แปลว่าทำให้แจ้งทำให้ปรากฏขึ้นมามมก่อนที่จะทำได้ ต้องรู้ก่อนว่าต้องทาอะไรแล้วการที่จะทำอะไรก็ต้องรู้ก่อนว่าทไมเราจึงต้องทำอย่างนี้การฟังธรรมท่านเลยแสดงงานที่สงไว้ว่าเวลาได้ฟังธรรมแล้ ว, ไ ด, ลวได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนนี่อันนี้แหละเป็นตัวสำคัญ เรื่องที่เรารู้นี้ไม่มีประโยชน์กับการกำจัดความทุกข์กับการสร้างความสุขอย่างถาวรให้กับเราเลยเรื่องต่างๆที่เรารู้นี้เป็นเรื่องของการกำจัดความทุกข์ชั่วคราวเป็นเรื่องของการสร้างความสุขชั่วคราวทั้งนั้นไม่ได้มากำจัดความทุกข์สร้างความสุขอย่างถาวรให้กับใจของพวกเราเลย ใจของของมนุษย์ทั้งหมดของสัตว์โลกที่อยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนทั้งๆ ท, ที่ก็ศึกษากันมากมายก่ายกองบางคนจบระดับปริญญาก็ายังมีความทุกข์อย่างความสุขที่ได้ก็หายไปเป็นความสุขเดียวยวได้มาแล้วก็หายไป ความทุกก็ที่กําจัดไปก็กลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นใครมีความรู้ในระดับไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะความรู้ทุกระดับไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรที่จะสร้างความสุขให้อยู่กับใจไปอย่างถาวร น, นั่นเองความรู้ระดับปฐมก็ เหมือนกันความรู้ระดับมัธยมก็เหมือนกันความรู้ระดับอุดมศึกษาก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนกำจัดยังไงก็กำจัดไม่มีวันหมดความสุขที่หากันที่สร้างกันก็เหมือนกับตะคุบเงา ได้มาปั๊บมันก็หายไปแล้วเป็นเหมือนควันไฟความสุขแบบควันไฟนี่แหละเราจึงจะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสั่งคำสอนหรือเป็นความรู้ที่เหนือโลกจริงๆที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้สามารถที่จะมาเทียบได้ น, นี่แหละคือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมเราจะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเรื่องแรกก็เรื่องของความรู้นี่แหละของความรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความรู้ที่สูงสุด เรียกว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงถูกต้องสัมมาสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรนี่แหละถูกต้องถูกต้องต่อการบำบัดความทุกข์อย่างถาวรถูกต้องต่อการสร้างความสุขอย่างถาวร เราจึงต้องมาทำหน้าที่ของเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าห้องเรียนก็ต้องเข้าห้องเรียนกันอย่าหนีเรียนเนี่ยมวันนี้มีโอกาสฝนตกนี่มีโอกาสขอลาหยุดขอหนีเรียนได้แต่ก็ไม่ยอมหนีถึงแม้ฝนจะตกจะสาจะเปียกกันทั้งสาราก็ยังไม่ยอมถอย รอให้ครูดูว่าครูจะหนีหรือเปล่าครูตอนต้นก็คิดว่าจะหนีจะรอให้ฝนมันหยุดก่อนแล้วค่อยมาเพราะตอนที่ฝนตกก็สอนไม่ได้เสียงมันดังทำได้ก็คือพานั่งสมาธิพาปฏิบัติกันแต่ก็เห็นฝนเริ่มเบาลงก็เลย ออกมาจึงมาสายหน่อยในวันนี้มาทาหน้าที่คนสอนคนฟังคนเรียนก็มาทาหน้าที่ของคนเรียนเรียนแล้วจะได้รู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเรื่องแรกก็เรื่องของความรู้ของพระพุทธศาสนากับความรู้ของสถาบันต่างๆในโลกนี้อยู่กันคนละระดับ ความรู้ของพระพุทธศาสนานี่เป็นความรู้อันดับสูงสุดเพราะเป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรความรู้ที่ไม่สามารถสร้างความสุขให้ได้อย่างถาวรไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงไม่มีประโยชน์อะไรเรียนไปก็ยังต้องทุกข์อยู่ เรียนไปก็ยังต้องวิ่งหาความสุขอยู่เหมือนกับคนที่ไม่ได้เรียนคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนก็มีความทุกข์เหมือนกันความสุขที่หาได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกันแต่คนที่มาเรียนทางศาสนาพุทธเนี่ยมาเรียนธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่หมดทุกข์กันเป็นคนสิ้นทุกข์กัน เป็นคนที่ได้พบกับความสุขที่ถาวรกันความสุขที่ถาวรนี้ทางศาสน า, าพูธเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ถาวรได้มาแล้วไม่ต้องไปวิ่งหามันมันไม่หนีเราไปไม่เหมือนความสุขที่ได้จากคนนั่นคนนี้ พอเขาไปมันก็ไปกับเขาเวลาเขาอยู่มันก็มาเวลาเขาไม่อยู่มันก็ไปแต่ความสุขของพระนิพพานนี้จะไม่จากเราไปไม่ทิ้งเราไปจะอยู่กับเราไปเสมอแต่ความสุขอย่างอื่นนี้อยู่กับเราเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย ก็ยังต้องเจอความทุกข์กันอยู่เสมอนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้อันดับแรกคือว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระพุทธศาสนานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนความรู้อันเลิ่อนอันประเสริฐอยู่ที่พระพุทธศาสนาออกมาจากการตัดสงรู้ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็เหมือนพวกเรามีความสุขแบบชั่วคราวกําจัดความทุกข์ได้แบบชั่วคราวจนทําให้พระองค์ต้องคิดค้นหาวิธีหาความสุขแบบถาวรหาวิธีกําจัดความทุกข์อย่างถาวรจึงต้องสะละราชะสมบัติ เพื่อไปศึกษาเพราะถ้าคองราชถ้าอยู่ในเพศของผู้คองเรือนจะไม่มีเวลาที่จะศึกษาจะไม่มีสถานที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติจะไม่มีผู้ที่คอยจะสั่งสอนให้อย่างต่อเนื่องก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน สถานภาพจากการเป็นผู้ครองเรือนจากการเป็นพระราชโอรสไปเป็นนักบวชไปอยู่แบบนักบวชไปศึกษาจากนักบวช ด, ด้วยกันเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะบำบัดความทุกข์อย่างถาวรและสร้างความสุขอย่างถาวร แต่พวกนักบวชที่ไปศึกษาด้วยท่านเหล่านั้นก็รู้วิธีบำบัดทุกแบบชั่วคราวสร้างความสุขแบบชั่วคราวยังไม่มีใครรู้วิธีบำบัดทุกแบบถาวรสร้างความสุขแบบถาวรท่นองเลยต้องสอนตนเองศึกษาค้นคว้า หาความจริงว่าความสุขที่ถาวรนี้อยู่ตรงไหนการบัดบัตการกําจัดทุกขแบบถาวรนี้อยู่ตรงไหนในที่สุดก็ทรงตัดสรุอทรงพบพระนิพพานอยู่ที่พระนิพพานนี้เองที่พระนิพพานนี้เป็นที่ดับทุกขอย่างถาวรเป็นที่ มีความสุขอย่างถาวรผู้ใดต้องการหมดทุกข์อย่างถาวรต้องการความสุขอย่างถาวรต้องไปที่พระนิพพานกันพระนิพพานนี้ก็เป็นเหมือนกับสถานที่ที่เราจะต้องเดินทางไปกันทางที่จะพาให้เราไปพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบ แล้วนำมาบอกพวกเราถ้าอยากจะไปถึงสถานที่นี้เราก็ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มีการกระทำแปดข้อด้วยกันสำหรับผู้ที่จะต้องการไปถึงพระนิพพานเรียกว่าทางสู่พระนิพพานคือมรรคที่มีองค์แปด เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางทำไมถึงเรียกว่าทางสายกลางก็เพราะมีทางอีกสองทางที่อยู่ทั้งสองข้างนั่นเองมีทางอยู่ด้านซ้ายและมีทางอยู่ด้านขวาทั้งสามทางนี้ก็มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันคือไปดับทุกข์บำรุงสุข แบบถ้าวอนกันแต่ทางสองทางนั้นที่อยู่ทางซ้ายและทางขวาของทางสายกลางนี้ไม่ได้เป็นทางที่นำไปสู่การบาบัดทุกอย่างถาวอนไม่ได้นำไปสู่ความสุขอย่างถ้าวนคือไม่ได้นำไปสู่พระนิพพานนั่นเองแต่นำไปสู่ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบที่มีความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายมีทางสายกลางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่เป็นทางพาไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงสิ้นสุดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัฏในทางที่ไม่ใช่ทางที่สัตว์โลกสแสวงหรือเดินกันนี้มีอยู่สองทางด้วยกันทางหนึ่งเรื่องเรียกว่าการบำบัดทุกบำลุงสุขด้วยการหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ผ่านทางตาหูจมูกมืนกายนะเช่นพวกเรานี้ส่วนใหญ่ก็ไปทางนี้กันเวลาอยู่บ้านเหงาเบื่อก็ต้องออกจากบ้านไปหาความสุขกันไปหาอะไรดูไปหาอะไรฟังไปหาอะไรดื่มไปหาอะไรรับประทานหรือไปหาคนนั่นคนนี้ เพื่อที่จะได้ไม่เหงาความเหงานี้ก็คือความทุกข์ความว่าเหอพอได้ไปเที่ยวได้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้ก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอกลับบ้านความสุขที่ได้ก็หายไป ความเหงาความเศร้าความว้าเหวก็กลับเขินขึ้นมาใหม่วิธีนี้พระพุทธเจ้าก็เคยทำมาก่อนเคยอยู่ในวังมีความสุขจากสิ่งต่างๆที่ห้อมล้อมพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงชนิดต่างๆมหัรลศพชนิดต่างๆ บุคคลชนิดต่างๆได้สัมผัสมาหมดด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของพ่อองค์แต่เวลาใดที่ไม่ได้สัมผัสเวลาใดที่อยู่ตามลำพังก็เลือดความรู้สึกว่าเหวไม่มีรสมีชาตไม่สนุกสนานไม่คื้นเพลงเหมือนกับเวลาที่ได้เสพสัมผัส ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อันนี้ก็ทรงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทางสู่การสู่ความสุขที่ถาวรสู่การกําจัดความทุกข์ที่ถาวรส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางของพวกนัก บ, บวชที่คิดว่าการที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหายไปให้หมดการที่จะทำให้เกิดความสุขต้องทารามาล่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เพราะถ้าทนเจ็บได้ต่อไปก็จะได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บเก็เลยใช้วิธีทิ่มแทงอะไรร่างกายต่างๆหรือใช้วิธีสร้างความทุกข์ยากลาบากต่างๆให้กับร่างกายแต่ใจมันก็ยังทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจะทนกับความเจ็บปวดของร่างกายได้แต่ใจมันก็ยังทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆอยู่ พอคิดถึงเรื่องที่ไม่ถูกใจก็ทุกขขึ้นมาความสุขก็ไม่เกิดความสุขก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เนี่ยนี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่พวกนักบวชบางพวกคิดว่าเป็นวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป พระพุทธเจ้าก็เคยทดลองวิธีนี้เหมือนกันตอนที่ค้นหาทางสายกลางใหม่ๆตอนที่มาบวชแล้วศึกษาได้พบกับวิธีบำบัดทุกบำรุงสุขแบบชั่วข่าวในระดับของสมาธิของฌานแต่พอออกจากสมาธิออกจากฌานมา ความสุขของสมาธิของฌานก็หายไปความทุกข์ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ตามมาใหม่เพระองค์ก็เลยต้องลองทดลองดูว่าไอ้ตัวร่างกายนี้เป็นตัวปัญหารหรือเปล่าก็เลยถ้าไม่ให้มันกินข้าวแล้วมันจะหายไหมความทุกข์ก็เลยลองอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวัน ก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่ก็เลยเห็นว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ในใจถ้าอดต่อไปก็ตายก็เลยต้องหยุดอดอาหารแล้วมาแก้ปัญหาความทุกข์ที่ใจด้วยการค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ ในที่สุดก็ส่งคอนพบว่าก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาใจที่สงบจากสมาธิก็กระเพิ่มขึ้นมาทันทีเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันที แล้วถ้าไปทำตามความอยากก็จะไปเพิ่มความอยากให้มีต่อไปอยู่เรื่อยๆพออยากดูอยากฟังพอ ไ, ได้ดูได้ฟังคิดว่าความอยากจะหายไปไม่หายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่อยากจะไปกินไปดื่มใหม่เนี่ย ไปเที่ยวกันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะจนถึงเดี๋ยวนี้ความอยากเที่ยวมันหมดไปหรือยังไปดูหนังไปฟังเพลงไปอะไรทำอะไรตามความอยากมันหมดไปหรือยังแล้วเวลามันอยากแล้วทำไม่ได้รู้สึกยังไงหงุดหงิดลำคาญใจทุกข์ใจพระพุทธเจ้าบอกต้องหยุดไอ้ตัวนี้ไอ้ตุดไอ้ตัวความอยากนี่ มันอยากจะเที่ยวก็ต้องฝืนมันอยากไปทำมันตามมันถ้าทำตามมันแล้วมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันเดี๋ยวมันหายไปเหมือนคนที่มาขอเงินเราเนี่ยถ้าวันนี้เขามาขอเงินเราลองให้เงินเขาไปดูเลยพี่ขอร้อยนึงเอาให้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่หมดแล้วเนี่ยเอาร้อยไปใช้หมดแล้ว ก็ต้องมาขอใหม่ถ้าให้อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล น, นี้ก็มาอีกแต่ถ้าเ็ามาวันนี้ขอร้อยบอกไม่มีไม่ให้เขาพรุ่งนี้อาจจะคิดสองสองสองครั้งว่ามาดีหรือไม่ดีไหนลองมาดูนะวันแรกมาไม่ได้ไม่เป็นไรลองวันที่สองดูสนะิวันที่สองมาขออีกก็ไม่ได้อีกไม่ให้ เดี๋ยววันที่สามไม่มาดีกว่ามาก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละความอยากเป็นเหมือนขอทานเข้าใจไหมถ้าเราให้มันนะมันจะมาขอเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวขอไปเที่ยวเดี๋ยวขอซื้อกระเป๋าเดี๋ยวขอซื้อรองเท้าข อ, อ, า ข, อขอไปหมดเนี่ยพวกเราเลี้ยงขอทานไว้รู้ปะเลี้ยงจนกระทั่งมันมาสร้างความลำคาญใจให้กับเรา เวลาที่มันมาขอแล้วเราไม่มีอะไรให้มันมันก็เลยแกล้งเรามันก็เลยทําให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาเอรอขอไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวโอ้ยมันโมโหใหญ่เอร้องห่มร้องไห้อาการซึมเศร้าอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจเอเอพระพุทธเจ้าเลยทรงคนพบว่านี่แหละถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปหมด ต้องอย่าไปเลี้ยงขอทานอย่าไปรับใช้ขอทานมันขออะไรบอกไม่ให้ไม่มีไม่เอาขอไปเที่ยวไม่มีไม่ไปขอกินกาแฟไม่เอาขอกินขนมไม่เอาแต่ให้กินแต่กินเป็นเวลาให้ร่างกายกินได้อยู่ร่างกายไม่ได้เป็นขอทาน เลี้ยงน่างกายไม่เป็นการเลี้ยงขอทานเป็นการเหมือนกับลดน้ำต้นไม้น่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ถึงเวลาก็ลดน้ำให้มันถ้าไม่ให้น้ามันเดี๋ยวมันตายได้น่่งกายถึงเวลาต้องให้ข้าวให้น้ำก็ให้มันต้องให้ลมก็ให้มันเห็นไหเราต้องให้ลมหายใจกับน่่งกายตลอดเวลาแต่ยาให้มัน อย่าให้ขอทานที่มาแอบอ้างร่างกายว่าโอ้ยหิวแล้วล่างกายหิวอะไรกินเพิ่งกินไปหยกหยกเมื่อกีน้นี้กินวันละมื้อก็พอแล้วถ้ากินสาหรับร่างกายพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ตายถ้ากินวันละมื้อนี่ไม่ตายไม่ต้องกินวันละสามสี่มือ้อหรือห้ามือ้อสำหรับบางคนเชา้ากลางวันเย็นแล้วตอนค่าก็กินอีก หรือตอนก่อนนอนก็กินอีกบางทีตอนดึกตื่นขึ้นมาก็หิวอีกกินอีกอีน่นี้ไม่ได้กินเพื่อร่างกายกินเพื่อขอทานกินเพื่อความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเราไม่ไปเลี้ยงมันไม่ไปตอบสนองมันเดี๋ยวมันหนีไปมันไม่กลับมาหาเรา เมื่อมันมาขอแล้วไม่ได้มันจะมาทำไมใช่ไหมก็ดูสิคนที่เขาเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกดื่มเหล้าได้เขาทำยังไงก็เวลามาขอบุหรี่มันก็ไม่ให้เนี่ยไม่สูบพี่ขอบุหรี่สูบมุนใส่ไม่ไม่มีมีก็ไม่สูบขอดื่มเหล้าสักแก้วไม่ให้ไม่ให้ดื่มพอไม่ดื่มไม่สูบสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไม่มาขอแล้ว คนจึงเลือกดื่มเหล้าได้เลือกดื่มสุราได้แต่มันยากเพราะตอนที่มันขอแล้วไม่ได้นี่มันแผงฤตมันออกฤตมันสร้างความรู้สึกหงุดหงยดลาคาญใจไม่พออกไม่พอใจไม่มีความสุขแต่พระพุทธเจ้าก็มีเครื่องมือแก้เครื่องมือก็คือการทําสมาธินี่ เวลาจะเลิอกอะไรแล้วมันมันแผลงฤทธิ์มันออกฤทธิ์มันจะทำให้เรารู้จึกทุกข์ไม่สบายใจเราสามารถหยุดความทุกข์ไม่สบายใจนี้ได้ด้วยการทำสมาธินั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปว่าอยากจะกินกาแฟอยากจะดื่มกาแฟกินขนมก็ไม่เอาอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่เอา พอ เ, เกิดความรู้สึกไม่สบายใจจากการที่ไม่ได้ทําตามความอยากก็ไปทําใจให้สงบพุโทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวใจก็สงบพอสงบแล้วก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาไม่ไม่ได้ทําอะไรตามความอยากถ้าเราทําอย่างนี้ครั้งต่อไปความอยากมันก็จะเบาลง มันจะไม่แน่ใจว่ามาแล้วจะได้หรือไม่มันก็เลยไม่ได้มาแบบแบบหวังอยากแบบเต็มที่มาแบบห้าสิบห้าสิบอาจจะได้อาจจะไม่ได้แต่พอมาครั้งที่สองก็ไม่ได้เหมือนครั้งที่หนึ่งที่ครั้งที่สามมันก็เลยยิ่งรู้สึกว่าท่าทางจะไม่ได้แน่ๆพอมาครั้งที่สามก็ไม่ได้อีกต่อไปมันไม่มาแล้ ว, ลวต่อไปความอยากสู่ภูริก็ไม่มา ความอยากดื่มสุราก็ไม่มาความอยากเที่ยวอยากอะไรต่างๆที่เราเคยทำกันนี่มันก็จะหายไปหมดครับพอหายไปหมดแล้วทีนี้เราก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเพราะตัวที่สร้างความหิวสร้างความรู้สึกว่าเราขาดนูน่นขาดนี่ก็คือตัวความอยากนี่ พอมันหายไปเราก็จะรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างสมบูรณ์ไปหมดมีทุกอย่างพร้อมเพียงไปหมดคือมีความอิ่มมีความพอโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาทาให้ใจอิ่มทำให้ใจพอเพียงแต่ฝืนความอยากเท่านั้นเองหยุดความอยากทำลายความอยากให้มันไม่กลับมาหาเราอีก แล้วมันก็จะไม่มาสร้างความรู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่พอมันไม่มาสร้างความรู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่เราก็เกิดความรู้สึกมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความอิ่มมีความพอมีความสุขนี่แหละคือความสุขถาวนวอที่เรียกว่าพระนิพพานอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การกำจัดความอยากต่าง ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปและเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการกำจัดความอยากนอกจากความรู้ที่พระธเจ้าทรงบอกให้เรารู้ว่านี่แหละตัวที่ทำให้เราไม่สามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรไม่สามารถสร้างความสุขได้อย่างถาวรก็คือความอยากสามตัวนี่เอง ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาต้องกำจัดมันเวลาโผล่ขึ้นมาอยากดูอยากฟังก็อย่าดูอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็อย่าไปเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันทุกคนอยากร่ำอยากรวยกันทุกคนอยากสวยอยากหล่อกันทุกคน ไปทําสัญญกรรมกันตาสองชั้นสามชั้นจมูกโดง่งเหมือนภูเขายอดภูเขาทำไปเขาคิดว่าทําแล้วจะมีความสุขมันก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวเกิดมันมันสุดลงมาภูเขาที่ทําไว้มันสุดล ง, งมาก็ทุกนะ <laughs> เพราะไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้แม้ว่าจะทําอะไรได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องพังลงมามันก็จะต้องหมดไปหายไปจากเราไปงั้นอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆได้มาแล้วก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวพอมันหายไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เออ การทำตามความอยากจึงไม่ได้เป็นวิธีกำจัดความทุกข์อย่างถาวถไม่ได้เป็นวิธีสร้างความสุขอย่างถาวถวิธีที่จะกำจัดความทุกข์อย่างถาวถสร้างความสุขอย่างถาวลต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าห้ามทำตามความอยากทำตามความอยากแล้ว จะทุกไปเรื่อย <S <S ๆจะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดให้หยุดความอยากแล้วความอยากจะหายไปไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไป <S <S <S ถ้ามันถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปพอมันหายไปหมดแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไป ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่ถาวรช่วงที่เราต่อสู้กับมันนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะสู้มันไม่ได้เพราะมันจะทนไม่ไหวจะทนไม่ไหวต่อความทุกข์ที่ความอยากมันจะสร้างขึ้นมาเราจึงต้องฝึกสมาธิกันก่อน ฝึก ส, สมาธิเพื่อให้เรามีเครื่องมือไว้ต่อสู้กับความทุกข์ต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากพอเกิดความอยากอยากจะไปทำนู่นทำนี่อยากได้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรดอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่เช่นเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหายพอมันไม่หายก็ทำให้เราทุกข์อีกเรา ต้องอย่าไปอยากให้มันหายมันป่วยก็ป่วยไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์กับมันแต่พอไปอยากแล้วใจจะทุกข์แล้วมันจะทุกข์มากยิ่งกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ฤทธิ์ของมันหรือพิษของมันนี่เพียงหนึ่งในสิบของพิษของ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้โลกภัยไข้เจ็บหายไปพอเราฝืนมันไม่ไม่ไปอยากมันหยุดความอยากด้วยการเข้าสมาธิด้วยการทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วความทุกข์ทางร่างกายนี่เหลือนิดเดียวความทุกข์ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายที่มีเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราจะใช้ปัญญาคืออริยาาสัจสี่นี่มาต่อสู้กับความอยากมากำจัดความอยากเพื่อบำบัดความทุกข์อย่างถาวรเพื่อสร้างความสุขอย่างถาวรถ้าไม่มีสมาธิทำไม่ได้ถ้าทำได้ญาติโยมบัด น, นี้บรรลุ ก, กันหมดแล้วรู้กันหมดแล้วไม่ใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไง สามารถความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาแล้วเคยหยุดมันไหมหมีแต่ยกธงขาวให้มันทุกทีเวลามันบุกมานี่ตอนวิ่งรับรับใช้มันทันทีแปะกระเป๋ามาอีกใบสิใบนี้ไม่ไม่สวยแปะร อ, องเท้าใหม่มาอีกคู่สิไปเที่ยวที่โน้นสิอยู่ที่นี่เบื่อค อ, อยไปตามที่มันสั่ง แล้วเมื่อไหร่จะชนะมันลนะ่ะไม่มีวันชนะเราเพราะถ้าไม่ไปมันก็เหมือนกับมันมาเหยียบหน้าอกเราเนอะทําให้เรารู้สึกอึดอัดขึ้นมาในใจทันทีพอไม่ได้ทําะไรตามความอยากรู้สึกไงบ้า ง, างอึดอัดบางทีก็เสียใจน้อยใจขอให้แฟนพาไปเที่ยวหน่อยแฟนไม่พาไปเที่ยวก็โหโมโหเสียใจน้อยใจขึ้นมา อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้แฟนซื้อให้แฟนไม่ซื้อให้ก็โกรธ yeah. yeah. เนี่ยผลจากความอยากเท่านั้นความทุกข์ต่างๆนะถ้าญาติโยมมีสมาธิปานญาโยมไปถึงนิพพานกันหมดนะ <laughs> ไม่ยอมฝึกสมาธิกันเมื yeah. ่อไม่ฝึกสมาธิก็ไปไม่ได้ yeah. คนไม่รู้ความสำคัญของสมาธิ คิดว่าสมาธิไม่สําคัญนะบางสํานักไม่สอนเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องเรียนสมาธิไม่ต้องไปนั่งหลับตาได้อะไรวะนั่งหลับตาเราได้อะไรต้องวิปัสสนาต้องปัญญาสิถึงจะได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆอตัวเองก็ไม่รู้ว่าไปรู้ไปเห็นอะไรสิ่งที่ต้องการให้รู้ให้เห็นก็คือให้เห็นทุกข์ว่ามันเกิดจากความอยากของเราอันนั่นแหละคือวิปัสสนาแล้วให้รู้ว่าทุกข์ดับไปเพราะเราหยุดความอยาก าการจะหยุดความอยากได้ก็คือต้องเฉยๆปล่อยให้มันอยากไปปล่อยให้มันดิ้นไปเดี๋ยวพอเราไม่ไปตอบสนองมันเดี๋ยวมันก็หมดแรงมันก็หยุดเองพอมันหยุดปับ๊บใจก็สงบขึ้นมาทันทีทุกที่อยู่ในใจก็หายไปทันทีแต่ช่วงที่รอให้มันหยุดดิ้นเนี่ยมันทรมานจึงต้องอาศัยมีสติมีสมาธิคอยประครบับประครองใจไว้ในช่วงนั้น เพื่อที่จะได้ไม่ทุกข์ทรมานจนทนไม่ไหวถ้ามันอยากนั่งแล้วเจ็บอยากจะลุกเนี่ยก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนั่งแล้วเจ็บมันก็อยากจะหนีจากความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปอันนี้ก็เป็นตัณหาเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากจะหนีจากความเจ็บไป วิธีที่จะนั่งต่อไปได้ก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความเจ็บอย่าไปสนใจกับความอยากที่จะลุกถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความคิดที่อยากจะลุกมันก็หยุดคิดมันคิดไม่ได้ iliyor? พอคิดไม่ได้ความอยากที่จะลุกก็หายไปพอความอยากที่จะลุกหายไปความทรมานใจก็หายไปความเจ็บยังอยู่บางทีแต่ไม่ทรมาน ความเจ็บของร่างกายไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทรมานใจตัวที่ทาให้ทรมานใจนี้คือความอยากให้ความเจ็บหายไปหรือความอยากหนีความเจ็บด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยพอกระยับแข้งกยับขาหน่อยโอ้ยความเจ็บหายไปใช่มันหายแต่เดี๋ยวมันกลับมาอีกเดี๋ยวนั่งใหม่มันก็กลับมาอีกนแต่ถ้าเรานั่งต่อไปปล่อยให้มันเจ็บไป ล้วความทุกข์ในใจหายไปเพราะความอยากให้ความเจ็บหายไปมันหยุดต่อไปเราก็ไม่ต้องหนีความเจ็บกันเจอความเจ็บเราก็อยู่กับมันไปได้เราจะไม่ทรมานใจเพราะเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปมาก็ปล่อยให้มันมาไปเหมือนเมื่อกี้ฝนตกทำไมเราไม่ทรมานกันเพราะเรารู้ว่าเราสั่งฝนให้มันหายไปไม่ได้ เราก็อยู่เฉยๆไปนั่งเฉยๆไปไอ้ตอนนี้ฝนหายไปแล้วทีนี้เราจะไปทําอะไรต่อก็ไปทําได้ะความเจ็บก็เหมือนกันมันเหมือนฝนเหมือนสภาวะธรรมเหมือนดินฟ้าอากาศอมันมามันมาของมันเองมันจะให้มันไปก็สั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันไปเองเดี๋ยวถึงเวลามันก็ไป แต่ตัวที่ทำให้เราทรมานใจไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายตัวความอยากให้ความเจ็บหายไปนี่ยเป็นตัวที่สร้างความทรมานใจซึ่งเราแก้ได้พอมันเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปเราก็หยุดมันด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องของความเจ็บทางร่างกายไปเพราะมันไปคิดถึงความเจ็บไม่ได้ ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวพอไม่คิดถึงความเจ็บความอยากหายเจ็บมันก็หายไปด้วยพอความอยากให้ความเจ็บหายไปความทรมานใจก็หายไปนี้เรียกว่าความทุกข์ใจก็หายไปเหลือแต่ความเจ็บทางร่างกายซึ่งเป็นความเจ็บที่ไม่สร้างความทรมานใจความเจ็บที่เราอยู่กับมันได้ แต่รำเพียงแต่ไม like like ่อยากจะอยู่กับมันท่านนันเองที่ทำให้เราทรมานใจไม่ใช่เพราะความเจ็บมันทำให้เราทรมานใจแต่ความไม่อยากจะอยู่กับมันไม่อยากจะเจอมันทำให้เราทรมานใจเห็นไหมเหมือนกับคนที่เราไม่อยากจะเจอนี่เป็นยังไงพอต้องเจอทรมานใจไหมแต่ถ้าเป็นคนที่เราอยากจะเจอนี่ทรมานใจไหมไม่อยากดีใจเลยใช่ไหมมันก็เป็นคนเหมือนกันบางทีคนคนเดียวกันน่งเล คนคนเดียวกันวตอนที่รักกันก็อยากจะเจอกันอยากจะเห็นกันนะพอตอนที่เกลียดกันนี่ก็ไม่อยากจะเจอกันไม่อยากจะเห็นกันขึ้นมามันก็คนคนเดียวกันอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนอะค น, ะคนมั น, น <wire> เป็นคนเดียวกันไอ้ที่เปลี่ยนก็คือใจเราไปเปลี่ยนไปรักไปชังเขานั่นเองพอไปรักเขาแล้วโอเจอเขากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนพอไปชังเขาแล้วเจอคนเดียวก็อยากจะกระโดดหนีนี่แหละ ปัญหาคือเราไปรักไปชังไปกลัวไปหลงเองเราไม่มีปัญญาว่าเขาเป็นอย่างนั้นหละเขาไม่ได้เขาไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วในตัวเขาหรอกเราไปรักไปชังเขาเองถ้าเราไม่รักไม่ชังเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่วุ่นวายเวลาเจอเขาเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเจอคนที่เรารักเราดีใจแต่เวลาเขาจากไปก็เสียใจอี ถ้าไปเจอคนที่เราชังเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีกงั้นถ้าเราต้องมาทาใจให้เฉ ย, เยวิธีทาใจให้เฉยก็เนี่ยใช้สติพุทโธพุทโธพุทโธไปพอใจเราเริ่มเกิดความทุกข์ใจเกิดจากความอยากที่เกิดจากความรักหนือความชังถ้าชังก็อยากจะให้มันหายไปถ้าเจอความเจ็บก็อยากจะให้มันหายไป ถ้าได้เงินมาก็อยากไม่ให้มันหายพอมันหายก็อยากจะได้คืนมาต้องหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการไม่ไปรักไปชังอะไรวิธีไม่ไปรักไม่ไปชังอะไรก็ต้องทำใจให้สงบเพราเวลาใจสงบใจมันจะอิ่มพออิ่มแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรมันก็ไม่ไปรักไปชังถึงแม่สิ่งใดที่มันเคยรักเคยชังมันก็ไม่สนใจ เหมือนเวลาที่เรากินข้าวอิ่มแล้วต่อให้เราชอบอาหารอะไรเห็นมันก็ไม่รู้สึกหิวไม่อยากได้นะจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจเพราะร่างกายเราอิ่มแล้วท้องเราอิ่มแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้กินข้าวเนี่ยเห็นอะไรนี่น้ำไลายไหลไปหมดนะใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ใจของพวกเราไม่อิ่มมันเลยหิวมันเลยมันเลยอยากมันเลยรักมันเลยชังมันเลยกลัวมันหลง แต่ถ้ามันอิ่มแล้วมันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วมันจะไม่อยากไม่มีกามตัณหาไม่มีภวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาในส่วนที่มีเราก็เลิกมันได้ส่วนที่มันยังตกค้างอยู่ในใจมันโผล่ขึ้นมาเราก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่ไปตอบสนองความต้องการของมันเดี๋ยวมันก็ฟอไปเองมันก็หายไปเองมอนไม่แรงนะ โรคมะร็งนี่เขามีวิธีรักษาทําให้มันฝ่อพอมันฝ่อแล้วมันก็ไม่มามาออกฤทธิ์ออกเดชมาทําร้ายร่างกายเราเนีตัณหาความอยากนี่ก็เป็นเหมือนมะเร็ง เ, เราต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปทําตามความอยากแล้วเดี๋ยวมันจะฝ่อถ้าไปทําตามความอยากแล้วมันจะผพองขึ้นมา มันจะใหญ่โตขึ้นมาไปเรื่อยๆเคยเห็นคำพูดไหมว่าได้เครือบก็อยากได้สอกไหอยากได้สอกก็อยากได้วาไหมได้แสนก็อยากจะได้ล้านไหมได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านไหมได้หนึ่งก็อยากจะได้สองนะได้แฟนคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้คนที่สองมันไม่พอหรอกถ้าปล่อยให้ทำตามความอยากแล้วมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆ วิธีที่จะหดมันก็คืออย่าไปทำตามความอยากอยากได้ไม่ไม่ให้มันเดี๋ยวมันก็ไม่มาขอเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปช่วงที่ทนกับมันนี้ต้องมีสติต้องมีสมาธิทำใจให้อิ่มให้พอทาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วใจจะเฉยกับสิ่งต่างๆที่เรารักหรือเราชังหรือเรากลัวเราหลง เราจะอยู่กับมันเฉยๆได้ปล่อยให้มันออกฤทธออกเดชไปเดี๋ยวมันหมดกำลังมันก็หายไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรนี่แหละคือวิธีสร้างนิพพานวิธีที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานคือวิธีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทางสายกลาง ต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาวก่อนจะมีสมาธิมีปัญญาก็ต้องมีศีลก่อนต้องรักษาศีลแปดกันอย่างที่ญาติโยมมาถือศีลแปดกันถ้าไม่ถือศีลแปดก็ไปเที่ยวกั น, นะอะสิขก็เลยต้องมาถือศีลแปดจะได้ไม่ไปเที่ยวันได้มีเวลามาฝึกสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์มาฝึกสติพุทโธมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องอริยาาสัจสีเรื่องตัณหาความอยากตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราและวิธีที่จะกำจัดมันก็คือทำใจเราเฉยเฉยทุกครั้งที่อยากอะไรก็อย่าไปทำตามความอยากถ้ามันดิน้นก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันอย่าให้มันดิน้นพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจสงบใจก็หยุดดิน้นแล้วใจก็จะฟันฝ่าความอยากต่างๆไปจนหมดสิ้นไปได้ พอความอยากทั้งหลายมีที่มีอยู่ในใจหายไปหมดเราก็ถึงพานิพานนั่นเองพานิพานก็คือใจของเรานี่แหละใจที่สิ้นกิเลสใจที่สิ้นตัณหาความอยากความอยากต่างๆหมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาของเรานี้เองถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่มีเครื่องมือต่อสู้กับความอยากวิธีที่จะ ทนกับความอยากได้อย่าว่าต่อสู้เลยคือวิธีทนกับความอยากวิธีที่ไม่ตอบสนองความอยากเราไม่ต้องทำอะไรความจริงเพียงแต่อย่าไปทำตามความอยากทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเรามีกําลังฝืนความอยากได้หรือเปล่าถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีทางเราจึงต้องมาสร้างศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเหมือนพลังใจพอเรามีศีลสมาธิปัญญาแล้ว ความอยากมันจะบุกมากี่ตัวเราเฉยได้หมดเหมือนพายุฝนมันจะมามากม า, กายก่ายกองเรานั่งเฉยเฉยไปเดี๋ยวพายุฝนมันก็หมดไปมันหมดแรงไปเองความอยากก็เป็นเหมือนพายุฝนมันจะโฮมมันจะถมเข้ามาเป็นช่วงๆเดี๋ยวช่วงหนึ่งก็เข้ามาเดี๋ยวก็สงบตัวไปเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่อีกเราก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาต้อนรับมันไป ไม่ต้องไปตอบสนองความต้องการของมันแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดพอาหายไปหมดเราก็เรียกว่านิพานคือใจของเราเนี่ยเป็นนิพานขึ้นมาใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจก็เป็นนิพานเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลา เป็นใจที่ไม่มีอะไรพาให้ไปเกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่พาให้ไปเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี่เองกาม m a ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอเรากำจัดมันหมดไปได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายเมื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ทุกนั่นเองท่านจึงสรุปลงคมที่คาว่า ทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่ไม่เกิดต้องไปนิพพานต้องสิ้นกิเลสต้องกำจัดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอหมดสิ้นไปก็ถึงนิพพานไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของคันถะทุระและวิปัสสนาทุระเรียนรู้วิธีที่จะพาเราไปสู่พระนิพพาน เมารู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาพอมีศีลสมาธิปัญญาก็จะฟันฝ่ากิเลสตัณหาที่มาสร้างความทุกข์มาฉุดล้างให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดพอมันเราไม่ไปกับมันเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราไปมันไม่กลับมาหาเรามันก็จะหายไปหมดจากใจของเรา เราก็จะอยู่อย่างสงบไปตลอดอยู่แบบที่ถาวรสงบแบบถาวรสุขแบบถาวรคือนิพพานังปังละมังสุขขังนี่เองเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอใหอ้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริกบุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติยิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจ um ัตโตสัพเเปบุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามะนีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโคลวนัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวา อพิวาทานสีลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถามได้เฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่ปิดใหม่แล้วก็ขอหยุดติการถามถ้าไม่สามารถหรือไม่อยากจะถามด้วยตนเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้าผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จากเฟซบุ๊ก421 y o u t u สองร้อยหกสิบเก้าวิทยุออนไลน์สิบสามผู้รับฟังบนนี 50, ้ห้าสิบรวมเจ็ดร้อยห้าสิบสามท่านค่ะรู้สึกหน้าพระอาจารย์สุชาตินี่จะคนติดตามเยอะกว่าพอเปลี่ยนนี่ยอดขึ้นสี่ร้อยหรืออาจจะเป็นบังเองิญเดี๋ยวลองสังเกตดู <c oughs> นมีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวส่งไปไปทางนิหน่อย ช่วยช่วยช่วยสมัยงงต่อกันไปหน่อยกลาวถามพระอาจารย์ค่ะไกลกถ้าสมามติถ้าเราปฏิบัตินะคะแล้วเราเห็นความอยากในตัวเองเยอะมากแล้วจนบางครั้งเราหนีเราหนีอะค่ะเราอยากจะแบบฆ่าตัวตายเงี้ยเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะให้หนีจากความคิดนี้ค่ะเขาก็บอกว่ า, วาการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการลดความทุกข์เป็นการเพิ่มความทุกข์เพราะการฆ่าตัวตายจะทําให้ใจเราทุกข์มากขึ้น เวลาเราทําบาปใจเราจะร้อนฉะนั้นไม่ใช่เป็นวิธีถ้าจะฆ่าต้องฆ่าความอยากมึงอยากไปฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังทําให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถ้าอยากจะฆ่าฆ่าความอยากมึงอยากจะไปเที่ยวกูจะมาให้มึงไปเที่ยวะมึงอยากได้นูน่นอยากได้นี่กูจะมาให้มึงกูจะให้สมาธิกับมึงแทนพุโทโธพุโทโธไปะ พอพุโทโธได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใจสงบก็ใจก็หายทรมานหายทุกข์อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ต้องไปหนีเหตุการณ์มันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากที่จะหนีจากเหตุการณ์ต่างๆไปเราหนีไม่ได้หรอกหนีเดี๋ยวมันก็ตามมาใหม่เดี๋ยวไปเกิดใหม่ก็เจ อ, ก, เจอก็เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกน ดใดที่ยังกลับกลับมาเกิดอยู่ก็จะกลับมาเจอเหตุการณ์เดิมฉะนั้นอย่าไปหนีใช้สมาธิช่วยใช้สติพุทโธพุทโธช่วยไปสวดมนต์ไปก็ได้พุธโธพุธโธไปก็ได้อย่าปล่อยให้มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอมันไม่คิดความอยากที่จะไปหนีจากเรื่องราวต่างๆก็หายไป พอหายไปใจก็สบายที่นี้อยู่กับเรื่องราวต่างๆได้ไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะทุกอย่างมันก็ตายตัวอยู่แล้วคือความตายปัญหาแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันถึงเวลามันก็มันก็หมดไปเองหมดตอนที่เราตายนั่นแหละเหอไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปข้าตัวตายไม่ต้องไปแก้ปัญหาทำใจให้เฉยๆให้มีความสุข ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่เดือดร้อนวุ่นวายใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนใครจะจับเราไปติดคุกก็ไม่เดือดร้อนใครจะตบจะตีก็ไม่เดือดร้อนนาใจให้สงบไปแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายอคําถามจะคุณวิจัย ผมขอกราบเรียนถามวิธีเจริญหรือดูเวทนาในเวทนาและจิตในจิตครับก็เวลาเจ็บนี่นะเวลาเจ็บนี่ก็ดูเลยนะมันเจ็บที่ดูว่ามันการดูเวทนาให้ดูธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอะไรความเจ็บนี่มันเกิดขึ้นตลอดหรือเปล่ามันเป็นนิจจังหรือเป็นอนิจจังให้ดูตรงนี้ดูสามตัวนี้เวลาเกิดความเจ็บมัน มันเจ็บตลอดหรือมันเจ็บเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็เราไปสั่งมันให้หายหายได้หรือเปล่าเวลามันเกิดขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราของเราเมื่อเราสั่งมันไม่ได้เราจะทาไงเราก็ต้องปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเพราะถ้าไปอยากให้มันหายเจ็บมันก็จะเกิดทุกขังขึ้นมา เราไม่ต้องการทุกข์ขังไม่ใช่ไม่มีใครอยากจะทุกข์ใช่ไหมเมื่อไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปแค่นั้นเองเนี่ยคือดูเวทนาในเวทนาดูเวลามันเจ็บแล้วดูว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาเราไปสั่งไปลบมันให้มันหายได้ไหมลบไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปนเอย่าไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะมันจะเกิดทุกข์ขังขึ้นมาเอ ถ้าไม่มีความอยากอยู่กับมันได้มันก็ไม่ทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูจิตในจิตก็แบบเดียวกันดูจิตดูอะไรก็ดูอารมณ์ในจิตอารมณ์เราแปบป่วดไหมบางวันก็สดชื่นเบิกบานบางวันก็ซึมเศร้าบางวันก็เครียดวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆก็ดูว่ามันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันะ มันเป็นอนิจจังเหมือนกันมันก็ผัดกันมาผัดกันไปสามันดีสี่วันแข่ไปสั่งให้มันดีไปตลอดไม่ได้เวลามันไม่ดีสั่งให้มันหายก็ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเหมือนกับอยู่กับความเจ็บไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรร่างกายเจ็บก็อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไป อย่าไปอยากให้มันหายแล้วจะไม่ทุกข์อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากให้มันหายยิ่งเครียดเลยแล้วไปแก้วิธีผิดไปกินเหล้าบางไปเสพยาเสพติดบ้างยิ่งไปสร้างอารมณ์ยิ่งไปสร้างปัญหาใหญ่มันอาจจะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวคราวหน้ามันมาใหม่ก็ต้องเสพอีกต้องดื่มอีกเดี๋ยวก็เลยติดสุราติดยาเสพติดมาไม่มาก็ต้องดื่มต้องเสพเนี่ย แล้วพอเสพม า, มากๆดื่มามากก็ตายยังไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บเวทนาหรือเรื่องอารมณ์ต้องใช้วิปัสสนาต้องใช้สมาธิเฉยๆไปอยู่กับมันไปเวลามันทรมานก็พุโทโธพุโทโธทำใจให้นิ่งอย่าไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปคิดถึงอารมณ์แล้วความอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากให้อารมณ์ไม่ดีหายไปมันก็จะ หายไปแล้วความทุกข์ทรมานใจก็หายไปอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับอารมณ์ไม่ดีได้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมทุกอย่างอันนี้จังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถาวรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไม่ต้องไปแกมมปมไปไม้มันเดี๋ยวมันไปเองไม่ต้องไปไล่มันมันเดี๋ยวมันไปเองแล้วอยู่เฉยๆเท่านั้นน่ะวุ่นวายกันไปเปล่าๆ ยิ่งไปแก้มันยิ่งยิ่งยิ่งไปผูกมันให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาอีกองั้นอยู่เฉยๆดีที่สุดนี่ปัญหาคืออยู่เฉยไม่เป็ น, น, นเลยเพราะไม่มาฝึกสมาธิกันต้องมาฝึกสมาธิฝึกสติกันแล้วต่อไปเวลาเจอปัญหาแล้วก็เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป คำถามจากคุณดินน้ำลมไฟในคำว่านิพพานคือการเข้าใจธรรมชาติแล้ววางตัวตนวางทุกอย่างไม่ยึดไม่กลัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วจบวางแล้วนิพพานยังเหลือเมตตาอยู่ไหมคะมีมีพรหมวิหารสี่นีการนิพพานนี้เพียงแต่กำจัดความอยากทั้งสามท่านนั้นเองอสจจากโลภ ความอยากการมัตตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแต่เมตตากรุณามุริตาอุเบกขามีเต็มร้อยแหละทีนี้เมื่อไม่มีกิเลสแล้วตัวที่มาทำให้เมตตากรุณาอุเบกขาออกมาไม่ได้ก็คือตัวกิเลสนี่พอตัวกิเลสหรือตัวตันหามันไม่มีทีนี้ก็ออกมาเต็มร้อยดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาเต็มร้อยม เทศมาตั้ง45ปีวันละ 3-4 รอบเก็บตังค์มั่งเ็เปล่ามีมีมีอะไรมาเรียอะไรขอกันเทศไหมไม่มีหรอกนั่นหละเมตตาเต็มร้อยมีแต่ให้อย่างเดียวให้ธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงไม่ได้มาหวังเอาเงินนาทองจากผู้ที่มาศึกษาเรียนไม่เหมือนทางโลกไงวะ เรียนต้องมีค่าเรียนค่าอะไรต่างๆนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาไม่มีความอยากได้อะไรพรเจ้าเาเงินไปทำอะไรใช่แต่คนที่ยังมีความอยากซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อเก๋งซื้อเบนซ์อยู่มันก็ต้องมีเรียกค่าค่าใช้จ่ายใช่ไห ม, มก็ต้องมีค่าเก็บเก็บค่าเล่าเรียนค่าอะไรต่างๆไป คนที่ไม่มีตัณหาความอยากมันไม่มีความอยากจะได้อะไรจากไข่มันก็เลยเมตตาได้เต็มร้อยธรรมทานจึงเกิดขึ้นได้ทุกวันนี้มันไม่ธรรมทานแั้มั น, ม, นมันขอทานด้วยธรรมมากกว่ามีมีบาทเล่ร่อนไปไหมเวลาพาเทศนี่มีโยมถือบาทรไปให้ญาติโยมทาบุญกัน อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของความอยากอยากได้เงินทองค่ะคำถามจากคุณขวัญ มีคำสอนหนึ่งว่าอย่าพอใจในการใช้ชีวิตเหมือนหมูคือกินกับนอนแต่ถ้าหนูอยากอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆและภาวนาในใจไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่แต่ห้องเพื่อพักผ่อนจากการทํางานที่เหนื่อยอยากนอนหลับเพราะอ่อนเพลียแต่ภาวนาในใจเสมอและรอฟังธรรมอ่านธรรมะบ้างด้วยค่ะแบบนี้ยังเรียกว่าการพอใจกับการใช้ชีวิตเหมือนหมูอยู่ไหมคะ ไม่หรอกการใช้ชีวิตเหมือนหมูหมายถึงการหาความสุขจากการกินการดื่มการดูการฟังคือหาความสุขจากการเสพกามแต่ถ้าเราไม่ได้เสพกามเราหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการอยู่ตามลำพังด้วยการทำใจให้สงบด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นอยู่แบบหมูหรอกควรจะทาให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองควรจะทาถึงขั้นที่เรา สามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆได้ถ้าตอนนี้เรายังมีความวิตกกังวลอยู่สแสดงว่าเรายังมีปัญหาอยู่เราจะต้องศึกษาให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วต่อไปปัญหาทางๆทางใจจะหายไปหมดคาถามจากคุณอิสรี ขอแนวทางการปฏิบัตินั่งสมาธิจากพระอาจารย์ค่ะหนูนั่งจนลมหายใจหายเวทนาความเจ็บปวดหายทุกอย่างดับจนมีแต่ตัวรู้กับอยู่กับแสงสว่างแช่อยู่ตรงนั้นทางหลังจากนั้นหนูต้องทําอย่างไรต่อคะอยู่กับแสงสว่างไม่มีตัวตนแต่ก็ออกจากสมาธิก่อนกลัวจะปฏิบัติผิดทางค่ะไม่ไม่ควรจะออกควรยิอยู่นานๆให้มันออกมาเอง ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่พยายามเข้าไปบ่อยๆนั่นแหละคือขุมทรัพย์ขุมพลังของใจแหล่งของความสุขที่แท้จริงของใจคือความสงบนี้พยายามเข้าไปแทนที่จะออกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ให้เข้าไปหาความสุขจากความสงบนี้ทําบ่อยๆทํามากๆทําจนชํานาญสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เมื่อเราชำนาญเราสามารถเข้าได้ทุกเวลาต่อไปเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราก็มาศึกษาปัญญาศึกษาริยัสสัจสีศึกษาใจลักว่าว่าเป็นอย่างไรเราจะได้ปัญญาแล้วเราจะได้รู้วิธีที่เราจะกํากจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวร วิธีที่จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างทาวนโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิแต่ตอนต้นนี้เราต้องเข้าไปในสมาธิบ่อยๆเข้าไปมากๆเข้าไปจนชำนาญเพราะเราจะต้องอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือในการจะใช้ปัญญามาแก้ปัญหาต่อไปหมดแล้วเหรโอเค okay. มีใครอยากจะถามอีกไหม เดี๋ยวขอขอไมค์ไมโครโฟนไปหน่อยจะได้ได้ยินเสียงทั่วกันช่วยส่งไปให้หน่อยพูดใกล้ๆปากหน่อยจะได้เสียงดังแกลบนมัธ ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากแกลบเปลี่ยนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจิตและใจต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะ อ, อ๋อตัวเดียวกันแต่มันมีสองหน้าที่ไง เ, เหมือนคนเรามีหน้ามีหลังใช่ไหย ม, มีด้านหน้ามีด้านหลัง จิตก็ม okay. ีด okay. ้านคิดกับด้านรู้ตัวใจเราจะมักจะหมายถึงตัวรู้ตัวจิตเรามักจะหมายถึงตัวคิดตัวที่มตัวที่รู้สึกนึกคิดนี่เราเรียกเรียกว่าจิตตัวที่รู้เราเรียกว่าใจท่านั้นเองเป็นตัวเดียวกันบางทีก็ใช้สลับกันผัดกันได้ปนกันได้บางทีใจก็เป็นจิตจิตก็เป็นใจมันคนมองเห็นคนข้างหน้ากับเห็นด้านหน้าก็เห็นด้านหลังนี่ก็เป็นคนคนเดียวกัน เท่านั้นเองโอเคถ้าจิตไม่ไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรเลยก็จะเป็นใจใช่หมคะก็ใจลอนลวนใจจิตหยุดคิดหยุดทำงานก็เหลือแต่ใจก็จะสักแต่ว่ารู้ตอนที่เรานั่งสมาธิเราหยุดจิตเนี่ยเราหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งหยุดความรู้สึกนึกคิดต่างๆพอหยุดปั๊บก็เหลือแต่ใจ เ, เราก็จะรู้จักว่าเนี่ยการที่ให้ใจอ ย, อยู่ใช ใจไม่มีความคิดเนี่ยเป็นใจที่มีความสุขแต่พอใจมีความคิดก็ใจกลายเป็นใจที่มีแต่ความทุกข์เพราะคิดไปในเรื่องที่ทำให้ทุกข์งั้นขั้นต่อไปหลังจากที่รู้แล้วว่าความคิดเป็นตัวปัญหาเราก็ต้องมาเปลี่ยนความคิดใหม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ทุกข์คิดยังไมในทางไม่ทุกข์ก็ต้องคิดไปในทางไม่โลภไม่อยากไม่โกรธไม่หลงนั่นเองเ้วต่อไปใจก็จะไม่คิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์ ใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาออขอบคุณนอาจารย์จ้ค่ะมาหัดเปลี่ยนความคิดกัน <c oughs> เบื้องต้นต้อหยุดความคิดให้ได้ก่อน <c oughs> ความคิดเก่าต้องหยุดมันมันชอบคิดมันชอบโลภชอบโกรธชอบหลงต้องหยุดมัน <c oughs> แเราให้มาคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลง <c oughs> ด้วยด้วยการใช้ตายรักคิดไปในทางตายรักแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรเ <c oughs> อมืม่อเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงยาวไปทําไม <Okay. S 2> ได้มาแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวก็ต้องจากกัน <Okay. S 2> จากกันก็ต้องทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้สู้อย่ามีดีกว่า <Okay. S 2> ไม่มีก็จะไม่ทุกข์ <Okay. S 2> มีแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามี okay. Okay. คิดแบบนี้ ค, ค, ค, ค, ค่ะครับขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะคําถามจากคุณปิยนันจิตที่ออกจากร่างแล้วยังมีขันสัญญาอยู่แต่ทําไมเมื่อได้ร่างใหม่จึงลืมชาติในอดีตครับ ก็ไม่ไนึกถึงมันมันก็ลืมไปเลยคนที่นึกถึงเขาก็ระลึกชาติได้คนที่เขามีความจําดีดีนึกถึงมันเขาก็นึกระลึกได้อย่างเรานั่งระลึกไปเสียเ ม, ามาื่อวานนี้ทําอะไรบ้างนึกได้เปล่าเ ม, ามาื่อวานนี้ไปทําอะไรวันก่อนหน้านั้นไปทําอะไรก็เลิกไปเรื่อยๆมันก็ระลึกชาติได้ เราขี้เกียดนึกกันเองอ่ะพวกเรามันชอบคิดมากกว่าชอบนึกกันชอบคิดแต่ว่าจะไปหาอะไรกินดีไปเที่ยวที่ไหนดีมันก็เลยลืมเรื่องเมื่อวานนี้ไปอย่าว่าแต่เมื่อวานเมื่อเช้านี้ทําอะไรบางทียังลืมเลยต้องมานั่งนึกก่อนเมื่อเช้านี้ทําอะไรวะเพราะเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบนั่งนึกกันเนาะชอบคิดกันมากกว่ามันก็เลยสัญญาเราก็เลยสั้นความจําเราก็เลยสั้นแล้วตายไปแล้วมันจะไปจําอะไรได้พอมาเกิดใหม่ มีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านความจําดีท่านนึกเก่งท่านถึงระลึกชาติได้เนี่ยพระเจ้าสิบชาตินี่ก็เป็นชาติของท่านแต่ละชาติที่ท่านเคยบําเพ็ญบารมีต่างๆนี่คนระลึกชาติได้ก็มีต้องมีพลังจิตคนต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีความความระลึกที่ดีมีสัญญามีความนึกที่ดีคนที่ชอบนึกมันเป็นเรื่องเจตนิสัยสําหรับคนบางคน ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่ได้สมาธิแล้วจะระลึกชาติได้บางคนก็ระลึกไม่ได้เพราะนิสัยไม่ชอบนึกมันก็เลยมันก็ระลึกไม่ได้แต่คนที่มีนิสัยชอบระลึกเนี่ยชอบคิดเรื่องเมื่อวานเรื่องเดือนที่แล้วเรื่องปีที่แล้วคิดอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้เขาย้อนอดีตได้หมดนะโอเค you have any more question ่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ด้านได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด